เมื่เกีีนหลวงพ่อพูดเกี่ยวกับการทำนาถามท น, นายอำเภอบ้านผือที่ท่านเคยอยู่อำเภอนายุงมาหลายปีแล้วก็ไปอยู่ที่บ้านผืออีกรู้ผมในประเทศทั้งสองอำเภอเอ่านเี่อำเภอนายุงรู้สึกปักดำช้าเก็บเกี่ยวช้าเดียเด๋ยวนี้เดือนพฤศจิกาวันที่ส8แปดพฤศจิกาแล้วยังไม่ได้เกี่ยวข้าว บางคนนะอยู่ที่อำเภอนายูงแต่ทางบ้านผืนจวนจะเสร็จแล้วพรนั้นหลวงพ่อจึงได้พูดว่าอํเาเภอนายูงทําไมจึงเก็บเกี่ยวช้าเพราะเขาปักดําช้าเหตุที่ปักดําช้าเพราะที่นาเขาน้อยแล้วก็นางามมันเป็นล่องเขาถ้าปักดําแต่ต้นเปียมันมีแต่ต้นข้าวลวงไม่มีมันอวบเกินไปว่างั้นเถอะมันซัดขึ้นมาอวบแล้วก็ล้ม ไม่มีลวงเพราะนั้นเขาจึงปักดำครึ่งปีครึ่งปีหรือเปล่าคอนคอนฝนว่างั้นนหะอันนี้ก็คือการทำงานผูกมีประเทศมันไม่เหมือนกันอย่างพวกเราท่านทางหลายถ้าสังเกตดูจะรู้ว่าประเทศไหนปลูกอันไหนได้อย่างเมืองไทยของเราเนี่ยปลูกได้เกือบทุกอย่างแต่ก็ไม่ทุกอย่าง อย่างแอปเปิลอย่างนก็นสู้เขาไม่ได้อย่างซาลี่อย่างนี้นก็สู้เขาไม่ได้อย่างเชอร์รี่อย่างนี้นก็สู้เขาไม่ได้ถูกพับอย่างนี้นก็สู้เขาไม่ได้พอเอดพราะเหตุใดเพราะผลไม้เหล่านั้นเป็นผลไม้เมืองหนาวแต่เมืองไทยของเราก็มีลําไยเงาะทุเรียนอย่างเนี้เป็นผลไม้เมืองร้อนะแต่ก็ช่าไม่เไม่ใช่ร้อนจริงเมือง น, นั้นอย่างที่หลวงพ่อเคยอยู่วัดปา่าบัานตาด ปูกทุเรียนพยายามใส่น้ํามันเต็มที่เพราะมันอยู่ใกล้บอ่อแล้วก็ใส่ปุ๋ยเข้าไปอีกเพื่อจะให้เป็นทุเรียนได้กินผลว่างั้นผลที่สุดพอตกหน้าหนาวเนี่ยหนาวจั ด, จดี่ยใบเหลืองอลาบหมดเลยผลที่สุดใบหลดเหมือนมันจะตายเพราะมันสู้หนาวไม่ได้พอผลหน้าหนาวก็โผล่ขึ้นมาอีกมันก็เลยไม่ออกลูกว่างั้นผลที่สุดก็เลยไม่ได้กินทุเรียนต้นนั้นเลย คิดว่าจะชิมทุเรียนอทางอีสาดนดูกันสมัยนั้นว่างั้นแต่แต่ก็อย่างว่าพระปลูกไม่ได้ใส่ใจเท่าที่ควรมีแต่ใส่น้ําเข้าไปกับปุ๋ยเท่านั้นเองเอส่วนอย่างอื่นเราก็ไม่ได้ตรวจตราวิเคราะห์เพราะเราไม่ใช่เกษตรเนี่ยเพราะที่สุดก็เลยไม่ได้ผลต้นทุเรียนตอนนั้นได้ตัดทิ้งตน้นมักใหญ่เด้ขึ้นมาเกือบจะต้นต้นโคดมันมือเกือบจะเท่าบาทหลวงพ่อเนี่ย ไม่ใช่ต้นน้อยนะฟังๆดปปูปูกเป็นสิบกว่าปีว่างั้นแต่แต่มันออกดอกว่ากนันนะออกดอกออาเวลาออกดอกออกดอกมากอยู่แต่มันไม่มีลูกมันไม่จับมันหล่นหมดอันนี้ก็คือเกษตรเกษตรกรรมการเป็นอยู่ของมนุษยชาติมันก็ต้องอาศัยพืชพันธันญอาหารข้าวน้ําโภชนาอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกาย ว่าไปก็คือปัจใจสี่การเป็นอยู่ด้วยปัจใจสี่อาหารการบริโภคผ้านุ่งหง่มและกเกษเสนาสนะอย่าแก้โรคภัยไข้เจ็บเสนาสนะ ค, คือคือที่อยู่อาศัยเราปัจใจสี่พวกเราต้องอาศัยปัจใจสี่อย่างทุกวันนี้อย่างในหลวงท่านตรัสไว้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็เลยมาถกเถียงกันทนาย คำว่าพอเพียงได้ทำยังไงจุดประสงค์ของรัฐบาลเรือว่าในหลวงนั้นท่านคงจะให้อยู่แบบเรียบง่ายอยู่ปิดเป็นวันๆไป <Hey. S 1> ถ้าเอาเป็นแบบชาวนาตกอนก็หาข้าวมาใส่ ย, ยุ้งใส่สางแล้วก็มีมปลาอยู่ในสระแล้วก็หากินเอาข้าวกับปลากินด้วยกันมีพริกมีเขือ อยู่ตามลำพังให้พอเพียงไม่ให้เดือดร้อนอย่างนั้นคงจะเป็นอย่างนั้นแต่ตามไม่จริงเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราพอเพียงระดับไหนะระดับประเทศหรือระดับโลกมันมีหลายระดับคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงคำนี้นะี่มีหลายระดับ ถ้าว่าเราอยู่ในระดับสูงระดับใหญ่เราก็พร้อมที่จะบริหารจัดการซื้อรถเบ้นรถเก๋งมาใช้แล้วก็ให้เพียงพอเหลือใช้เื่อ ง, งั้นเถอะไม่ให้ตกให้หล่นแต่ถ้าเราเป็นชาวนาเราก็สอบแสวงหาเลี้ยงครอบครัวของเราซื้อสิ่งของ มาใช้ในครอบครัวของเ ร, า เ, งเร า, เเ า, าเหลือใช้ในครอบครัวของเราให้เขาเหลือใช้คล้ายๆว่าไม่เดือดร้อนไม่เป็นหนี้เป็นสินพลุงพลังเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับพวกคนกลุ่ม น, นั้นคนชุมชนนั้นเพราะงั้นไม่ให้เดือดร้อนอันนี้ไปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงตามหลวงพ่อว่านะสรุปแล้วก็คือให้รู้จักหาให้รู้จักใช้ การหาเนี่ยก็ให้รู้จักหาในการหาหาเงินหาคำทรัพย์สมบัติอย่าไปคดอย่าไปป่นอย่าไปจี้อย่าไปทาให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอันนี้ให้รู้จักหาเมื่อหาแล้วให้รู้จักบริหารในการใช้ไม่ใช่ว่าหามามากๆเหมือนเราตักน้าใส่กระป๋องคนรั่วอย่างนั้นหาเงินมามากๆหาน้าตักน้ามากๆขยันตักน้า แต่พ่อขยันตักเข้าไปเทลงใส่ถังถังน้ําไหลรั่วหมดตักมาเทเลยคนผู้ตักไม่จะตายแต่ถังน้ําไม่ไม่ขังเลยอันนี้แปลว่าเราไม่รู้จักการบริหารว่ามันรั่วมันรั่วเพราะอะไรทําไมมันจึงรั่วขนาดนี้เพราะใจของเรารั่วหรือเราไม่รู้จักประมาณในการใช้มันจึงตักน้ำไม่อยู่ อันนี้เราก็ต้องมาตรวจตาดูตัวของเราแล้วทีนี่ ต, ตรวจตาดูตัวของเราวะเมื่อเราสาะแสวงหาทรัพย์มากแต่ทําไมเราจึงไม่มีเงินใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการระดับไหนเมื่อเราทํางานเงินเดือนของเราก็มีแต่ทําไมเราจึงยากจนเพราะเหตุไรอันนี้เราก็ควรจะ ต, วตรวจตาดูตัวของเราเองนะที แสดงว่าเราเศรษฐกิจไม่เพียงพอแล้วเพราะเหตุไรเพราะว่าเราได้รับเงินเดือนแต่ว่าเรายากจนลงไปเรื่อยๆเพราะเหตุไรเพราะว่าเราบริหารจัดการในการเงินที่เราได้รับมานั้นไม่ถูกต้องเราต้องตรวจดูอย่างนั้นคนอื่นเขาอยู่ได้แต่ทําไมเราจึงอยู่ไม่ได้เพราะเหตุไร เพราะเหตุว่าเราได้เงินมาสมมติว่าวันหนึ่งเราได้เงินวันละห้าร้อยบาทค่าตอบแทนของเราวันละห้าร้อยบาทเพราะทุกวันนี้ค่าแรงงานเข้าไปถ้าเป็นช่างล้วก็สามสี่ร้อยบาทส่งพวกราชการเนี่ก็ต้องขนาดนั้นแ่ะวันละห้าร้ยบาทเาพูดยงงอย่างงนะ่ายๆ่นบางทีบางท่านอาจจะกว่านั้นอาจจะเป็นวันละสองสามพันวันละสี่ห้าพัน แต่ว่าวันคิดว่ามรณะห้าร้อยใช้จ่ายในครอบครัวของเราทั้งค่าน้ําค่าไฟค่าลูกไปเรียนหนังสือค่าอาหารการบริโภคทุกอย่างเราใช้วันละเท่าไหร่ทั้งพ่อบ้านแม่บ้านก็ควรจะเขียนตัวเลขเอาไว้บ่อวันนี้ใช้เท่าไหร่วันนี้ใช้เท่าไหร่ใช้เท่าไหร่ในเมื่อใช้เออวันนี้เราใช้สามร้อยวันละสามร้อยทุกอย่าง ทั้งค่าน้ำค่าไฟบวกลบคูณฐานออกมาแล้ววันละสามร้อยเราก็ควรจะเก็บวันละสองร้อยหรือวันละร้อยได้ไหมอันนี้แหละคือบริหารจัด ก, การคือให้มันเหลือผู้ที่เป็นนักธุรกิจนักธุรการนักการค้านักหาเงินขนาดไหนก็เถิดถ้าหาว่าไม่รู้จักในการใช้จุดนี้เท่านั้นจะหาเงินมาได้วันละล้านใช้วันละสองล้าน อยู่ไม่ได้เจ๊งบริษัทเจ๊งใหญ่ขนาดไหนก็เจ๊งเพราะว่าไม่รู้จักกันในการใช้แต่ถ้าว่าคนหาเงินมาได้แต่ให้มีส่วนเหลือแต่ละวันไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าครอบครัวของเราผัวเมียของเราลูกของเราที่จะได้ใช้เงินควรมีวินัยในการใช้เงินในเมื่อใช้ขนาดที่หลวงพ่อว่าครอบครัวนั้นอยู่ได้อันนี้แหละเศรษฐกิจพอเพียง คือไม่ให้ใช้เกินตัวแต่การหานะั้นลองพยายามหาหาให้มากในเมื่อหามามากแล้วในเมื่อเราเก็บได้มาแล้วเราจะซื้อรถเบ้นรถเก๋งรถโลชลอยเราก็ซื้อได้แต่ให้มันเหลือให้มันเหลือเอาไว้ไม่ใช่ว่าเราซื้อหมดมาซื้อไปหมดแล้วเป็นหนี้เป็นศินพะลุงพลังผลที่สุดจากนั้นก็คโคตรโกงป้นที่เเบียดบัง เอาของคนอื่นมาเพราะตัวเองไปไม่รอดอันนั้นแปลว่าเศรษฐกิจไม่เพียงพอแล้วอแย่แล้วการบริหารจัดการของเราใช้ไม่ได้เพราะนั้นเรื่องเศรษฐกิจเพียงพอของในหลวงเนี่ยที่ท่านได้สอนประสบนิกรของพระ อ, องค์ท่านเนี่ยคือท่านให้รู้จักประมาณตัวให้รู้จักการใช้จ่ายอย่าไปใช้จนเกินตัวการแสวงหาทรัพย์สมบัติ หมันขยันอดทนในหลักของพุทธศาสนาแต่ว่าอุทธานะสัมปทาถึงพร้อมโดยความหมั่นความขยันรักษะสัมปทาถึงพร้อมโดยการรักษาคือรักษาทรัพสมบัติหน้าที่การงานตําแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ให้รักษาในเมื่อได้มาแล้วอย่าไปทําให้เสียหายคนที่ไม่รักษายศถาบรรดาศักดิ์ตําแหน่งก็พอได้มาแล้วก็ลืมตัวกินเหล้าเมาญาติเที่ยวผลที่สุดก็เขาก็ ผู้ใหญ่เห็นว่าหน้าบกพ่องต่อหน้าที่กันัน่นแหละว่ากล่าวตักเตือนจากนั่นก็ลดตําแหน่งจนถึงไล่ออกเพราะเหตุไรเพราะไม่รักษาขาดการรักษาถ้ารักษาแล้วก็เมื่อเราได้หน้าที่ตําแหน่งก็พยายามทําให้ดีขึ้นรักษาเอาไว้อย่าให้มีการตําหนิติเตียนสิ่งไหนที่มันจะเป็นมลทินเราหยุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งโซ ร, ราเนี่ยจะทําให้เราเสียหายได้ไง่ายๆ พอสุราเข้าไปแล้วกันเนี่ยการพูดการกระทําสิ่งใดก็ามันล่อแหลมเหลือเกินถ้าดื่มสุราเข้าไปคนขาดสตินี่แหละคือขาดการรักษาอรักขสัมปทาถึงพร้อมโดยการรักษากา ร, รยาณมิตรให้คบเพื่อนที่ดีงามการครบหาสมาคมกับเพื่อนถ้าว่าเขาจะชักชวนไปในทางที่ไม่ถูกต้องอย่าทําอย่าไปตามเขาสัมมาชีวิตา เลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบไม่คดไม่โกงไม่ปนไม่จี่ไม่เบียดบังสมบัติของเขามาเป็นสมบัติของตัวเองอันนี้คือหลักของพระพุทธศาสนาท่านไม่ได้สอนให้ประสบนิกรหรือว่าสอนสาธุสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าให้งอมืองอ่างเท้านะมันขยันอดทนให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้รู้จักหาอย่างที่ว่ามันขยันหามันขยันตักงับ เอามาแล้วเทใส่กระป๋องกดรั่วเนะทเส่กันได้มันก็รั่วหมเทใส่กันนูนที่สุดคนที่ตักใส่มันจะตายเอาทีนี้เพราะเหตุไรเพราะมันไม่ได้ดูตัวเองมันไม่ได้ดูกระป๋องกระป๋องน่ะมันรั่วมากมันตักน้ําใส่ต่อไรก็ไม่อยู่เราควรจะประปับปรุงกระป๋องของเราซะ ก, ก่อนที่จะตักน้ํามาใส่ในเมื่อเราดูกระป๋องของเราก็เอ้าวปิดรูรั่วของกระป๋อง ให้อยู่ด้วยความแน่นน้ำมั่นคงตักน้ำมาใส่เท่าไรไม่รั่วทีนี้ถ้ามันจะออกก็ออกเราตักออกให้เราตักออกทางปากไม่ให้มันรั่วเองอันนี้แปลว่าเรารู้จักวิธีการที่เราจะใช้คือเราจะใช้ยังไงเราจะต้องมีสติซะก่อนมีปัญญาซะก่อนรอบคอบซะก่อนเราจรึงใช้นะแต่ถ้าเราไม่ได้คิดอย่างนั้นมีแต่ตักมาใส่มันก็รั่ว ได้เงินมาอย่างที่ว่านวันละห้าร้อยบาทอย่างนี้ค่าน้ําข่าวไฟค่าน้ํามันรถค่าลูกไปโรงเรียนค่าอาหอาหารในครอบครัววันละเท่าไหร่เราใช้เกินตัววันหนึ่งวันละห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบอย่างนี้ เ, เรียกว่าห้าร้อยี่สิบยี่สิบตัวนั้นแหละมันจะเป็นมลทินสําหรับครอบครัวนั้นวันนั้นก็ยี่สิบวันหน้าก็ยี่สิบวันต่อไปก็ยี่สิบยี่สิบยี่สิบ เดือนหนึ่งมันเป็นยี่สิกี่ครั้ง น, นั้นแหละคือตัวหนี้สินแล้ทีนี้เมื่อเป็นหนี้สินขึ้นมาแล้วและจะตําหนิใครจะตําหนิใครไม่ได้มันก็ต้องตำหนิคนในครอบครัวสามีพันยารุ่งพ่อแม่ก็ต้องมีวิ น, นัยว่าสถานะของเราอยู่ในสถานะไหนเราใช้เงินเกินตัวเสีแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เราเจ๊งแน่แนเราอยู่ด้วยกันไม่ได้แตกกันแน่แน ถึงจะรักขนาดไหนก็อยู่ด้วยกันไม่ได้นะพ่อแม่ลูกนะพ่อเราใช้เงินเกินตัวอันนี้แปลว่าเป็นผู้บริหารจัดการดูแลครอบครัวตัวเองการเป็นอยู่ของตัวเองดลวงพ่อว่าถ้าว่าพวกเราทุกท่านนะดูแลอย่างนี้บริหารจัดการอย่างนี้ตรวจตราดูตัวเองอย่างนี้เศรษฐกิจเพียงพอแน่ไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อน ใข่ถ้าตัวเองไม่เดือดร้อนแล้วกนะ็คนอื่นมันก็ประเทศชาติก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าว่าตัวเองไม่รู้จักบริหารจัดการในสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อว่าความหายนะความเดือดร้อนมีแน่นอนเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่หลวงพ่อได้กล่าวทั้งนี้ก็คือการเป็นอยู่ชีวิตประจําวันของพวกเราควรจะทําตัวอย่างไร ในเมื่อชีวิตประจำวันของเรามีความสุขร่มเย็นเป็นสุขเราจะคิดพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองก็คิดไปได้เราจะคิดสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์ผู้ที่มีพระคุณสำหรับคือพ่อแม่เราก็คิดได้แต่ถ้าว่าเราเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วจะสงเคราะห์พ่อแม่พ่อแม่ถึงจะยากจนเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ดูแลท่านไม่ได้มีแต่ไปยืนตามองพีิบผพิบเท่านั้นเองเพราะเหตุใดเพราะ เราไม่มีกำลังที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้มีพระคุณของเราได้เพราะเหตุใดเพราะออกไปจากตัวของเราเองเราไม่ได้บริหารจัดการในการใช้จ่ายของเราเนี่ยขาดตกบกพ้่องเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเรา ท, ทุกท่านนะถ้าบริหารจัดการตัวของเราดีแล้วเราก็พร้อมที่จะช่วยเหลือชุมชนสังคมไปได้เหมือนกับคนที่ยืนอยู่บนฝั่ง เขาตกน้ำเขาหรือตกทุกข์แต่ตัวเองก็ป่อแป้อยู่แล้วเพิ่งหายป่วยใหม่ๆว่ายน้ำก็ยังไม่แข็งตัวเองก็กระโดดลงไปก็ไปจมตายด้วยกันถ้าว่าเรามีปัญญาเราแข็งแรงลงไปช่วยเหลือเขาได้หรือมีวิธีการที่จะช่วยเหลือเขายื่นผ้ายื่นไม้อะไรให้เขาให้เขาจับให้เขาเกาะขึ้นมา อันนี้ก็คือวิธีการบริหารจัดการชีวิตประจำวันของพวกเราในเมื่อเราตั้งตนตั้งดูดได้แล้วที่นี่เราจะช่วยเหลื อ, อยังไงเราก็คิดอ่านได้แต่ถ้าว่าตัวของเราจะออกไม่รอดเราจะช่วยเหลือผู้อยู่ใกล้ชิดช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองก็คงจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้ที่เราจะเข้าวัดเข้าว่า ฟังธรักษาศีลปฏิบัติทางด้านจิตใจก็ยิ่งห่างเหินไปอีกเพราะเหตุไรเพราะชีวิตของเราเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วถ้าจะไปวัดคนรอบข้างของเราเขาก็จะตำหนิได้อีกดูซิขนาดชีวิตตัวเองก็ยังเอาตัวไม่รอดยังไปวัดอีกแต่ตาไม่จริงไปวัดกับการของชีพมันคนละเรื่องกันนะคือไปสู่วัดวาศาสนาเนี่ยคือให้อาหารทางใจ อยู่ทางโลกเนะี่ยคือเราสอบแสวงหาปัจจัยสี่อย่างที่กล่าวเบื้องต้นปัจจัยสี่คืออะไรอาหารผ้านุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยากแก้โรคภัยไข้เจ็บอันนั้นคือเราสบแสวงหาทรัพย์สมบัติเพื่อเจือจุนปัจจัยสี่ของของเราให้บริบูรณ์แต่มาศึกษาธรรมะเข้าวัดวาศาสานาเนี่เพื่ออาศัยการได้ยินได้ฟังและก็อาศัยการปฏิบัติตนเอง ใจิตใจของเราให้มีหลักให้มีหลักคือในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้คิดยังไงการคิดคิดยังไงท่านคิดบอกว่าโลกใบนีนะ้เป็นของอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงนะร่างกายของเราทุกคนทุกส่วนเนี่ยเกิดมาแล้วแก่เจ็บตายไม่มีใครที่จะเอาร่างกายนี้ตัวเองไปได้เพราะนั้นถึงสสแสวงหาทรัพย์ถึงขนาดไหนมีลํารวยถึงขนาดไหน เมื่อตายไปแล้วร่างกายก็ทิ้งในโลกเพราะฉนั้นการกระทําสิ่งไหนให้มันขยันอดทนให้ทําตามหน้าที่ให้ดีที่สุดแต่ว่าให้รู้จักปล่อยวางในใจอย่าไปถือโทษโกรธเครืองกับใครจนเกินไปรักใครก็อย่าไปรักจนเกินไปโกรธใครอย่าไปโกรธจนเกินไปพยาบาทอาฆาตจองเวียนกับใครก็จะไปเกินไปให้พูดด้วยเหตุด้วยผลมองโลก ด้วยเหตุด้วยผลโลกไปนี้มันเป็นอย่างนี้แหมมีคนดีมีคนชั่วมีคนบ้ามีคนเมามีคนหูหนวกตาบอดมีคนฉลาดมีคนโง่แต่เราจะอยู่กับโลกใบนี้ได้อย่างไรเราจะอยู่กับโลกใบนี้ด้วยความสงบสุขอย่างไรอันนี้คือในหลักของพุทธศาสนาท่านสอนไว้หมดในแง่ของความคิด ให้คิดให้ดหีได้เมื่อคิดดีแล้วใจของเราได้ดการอบรมดีแล้วเราไปอยู่ณสถานที่ใดถินด่นใดเราจะวางตัวได้ทีนี้เมื่อสิ่งใดเข้ามากระทบความอิจฉาพยาบาทสันธากติโทสากติโมหากติพยากติอกติสี่อยู่ในจิตในใจก็ไม่มากเพราะเหตุอะไรเรารู้ตั้งหลายๆเงื่อน มันมาเปลี่ยนมาเพราะอะไรอัติเหล่านั้นรักกันเพราะอะไรโกรธกันเพราะอะไรอิจฉากันเพราะอะไรเล่านี่มันมีอยู่ในใจของมนุษย์แต่ใจของเรานั้นเราจะพยายามดูจะให้มีอัติน้อยที่สุดถึงจะห้ามไม่ได้แล้วก็ให้น้อยที่สุดโลกกรรมำแปดที่จะมากระทบเรา เราก็พิจารณาเห็นน้อยที่สุดมีราบเสื่อมราบมียศเสื่อมยศนินทาจะนเสริญสุขทุกขเพราะสิ่งเหล่านั้นอยู่ในโลกพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้แล้วว่าอันนี้คือโลกกระทำมีมีใครที่จะหลีกลี่หนีออกจากโลกกระทำนี้ไปได้ทุกคนต้องพบต้องเจอแน่นอนถึงจะมากหรือน้อยต่างกันแต่ว่าเมื่อโลกกระทำเข้ามาหาเราแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่ายินดีในส่วนที่ปรารถนา อย่ายินร้ายในส่วนที่ไม่พึงปรารถนาคือทำให้ใจให้เป็นกลางเพราะนั้นในเมื่อเราอยู่ดีมีสุขเราก็คิดไปอยู่เสมอว่าเมื่อโลกธรรมเข้ามาสู่ใจมาสู่ตัวของเราเราควรจะทำตัวอย่างไรเพราะพุทธเจ้าสอนอย่างไรอันนี้คือผู้ที่เข้ามาศึกษาธรรมะเข้ามาสู่วัดวาศาสนามาสูบพระสงฆ์หรือวัดศึกษาในหนังสือธรรมะ ฟังเทศฟังเทปฟังซีดีหรือฟังธรำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในหนังสือพระไตรปิฎกอย่างนี้พวกเราจะได้ศึกษาเรื่องธรรมะคือเอาธรรมะเข้าสู่จิตใจอาหารของใจอาหารเข้าสู่จิตใจนี่คือให้รู้จักปล่อยให้รู้จักวางให้รู้จักควรทาสิ่งที่ควรทําสิ่งที่ไม่ควรทําสิ่งที่ควรคิดสิ่งที่ไม่ควรคิดสิ่งที่ควรพูดสิ่งที่ไม่ควรพูด คนที่มีธรรมะในจิตใจแล้วนั่นะคนนั้นอ่ะเรียว่ามีอาหารทางจิตใจจิตใจมีหลักจิตใจมั่นคงจิตใจจะไม่ทุกข์ในเมื่อสิ่งมากระทบจิตใจไม่ว้าเหวจิตใจไม่อ้างว้างจิตใจไม่ไม่เงียบเหงาจิตใจไม่ซึมเศร้าถ้าคนมีธรรมะเข้าสู่จิตใจแต่คนไม่มีธรรมะเข้าสู่จิตใจแล้วเมื่อโลกกระมเข้ามาเราจะ รู้ได้อย่างโลกกระทำทุกวันนี้อ่บางทียศฐานบรรดาศักิขึ้นมาแต่พอถูกรุกรูปโลกกระทำเข้ามาแล้วตัวไม่เป็นตัวเลยเสียอกเสียใจเออจะเป็นบ้าเป็นบอได้ไง่ายๆโลกกระทำไม่ใช่ธรรมดานะเอไม่ใช่ธรรมะยิ่งสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งลมพัดแรงแต่ถ้าว่าคนมีธรรมในใจแล้วท่านจะต้องวางเฉยไม่ยินดีไม่ยินร้าย เพราะนั้นใครจะทำอย่างนั้นได้ไม่ใช่ของทำได้ไง่ายๆนะถ้าไม่ฝึกไม่เตรียมตัวไว้ก่อนถ้าได้ฝึกได้คิดได้เตรียมตัวไว้ก่อนแล้วนั่นแหละที่นีสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นมาถึงยังไงยังไงก็เราก็มีหลุมเพาะมีบังเกอร์เออมีที่หลบซ่อนคือศีลและธรรมเรารู้จักปล่อยวางที่ใจของเราเมื่อเราจั ที่ปล่อยวางของใจของเราเราวิ่งเข้ามาหาจุดนี้แล้วก็ปล่อยวางเอ้ยโลกก็นี้จะไปถืออะไรเที่ยงแท้แน่นอนได้ยังไงถึงกล้ใครก็เถอะอีกสักวันหนึ่งคาดไม่ว่าแต่ลาบยศสรรเสริญนะเอไม่ว่าแต่เงินคําทรัพย์สมบัติพี่น้องลูกหลานสามีพันยาน่ะก็ะดูกของ ข, ข่าข่าก็ยังเอาไปด้วยไม่ได้ข่าเกิดมา ข, าข่าเกิดมาคนเดียว บาดนี้มาถึงข่าแล้วเหรอข่าก็จะทิ้งทั้งกระดูกของข่าด้วยเขาจะต้องเอาไฟไปเผาทิ้งด้วยข่าจะไปยึดอะไรในสิ่งเหล่านั้นมากมันทิ้งที่หัวใจได้มันทิ้งทหัวใจเฉยได้รับได้อะไรมาก็ได้ทั้งหมดนี่นี่แหละลมันทิ้งที่ไหนมันถ้ามีธรรมะอยู่ในใจแล้วมันทิ้งจุดนั้นนะมันทิ้งลงจุดนั้นทิ้งอยู่ที่ใจมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมเอ้ถามโดยตัวเองมันจริงไหมอย่างนั้น มันเป็นอย่างอื่นจริงถูกต้องมันจะเอาอะไรไปด้วยร่างกายของเราก็จะเอาไปด้วยไม่ได้ทําไมสิ่งเหล่านั้นจริงจะมาทับถมจิตใจของเราให้เราเป็นบ้ากับสิ่งเหล่านั้นได้อันนี้คือหลักพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนสานุสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าท่านให้ปล่อยวางอยู่ที่ใจปล่อยที่ใจวางที่ใจหลุดพ้นที่ใจชําระใจแห่งบริสุทธิ์หลุดพ้น ไม่มีกิเลสลักขะโทสะโมหะเป็นบรมสุขนะว่างั้นนะเอาตอนนี้ไปหลวงพ่อได้พูดธรรมะให้เป็นแนวความคิดสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายให้ได้ศึกษามามาวัดวาศาสนานานๆได้มานะก็ได้ฟังธรรมะหลายรสหลายชาติให้แก่พวกเราท่านทั้งหลาย